กันฟังเพื่อให้ข้อมูลให้ได้ข้อมูลในการกระทํไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าสุ่มหาไปเราจะเดินทางไปไหนก็มีข้อมูลพอสมควจรจึงจะถูกที่ถูกทาง ปฏิบัติธรรมนี้มันมีพระสูตรพระสูตรที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือสวากขาตธรรมปฏิบัติได้ให้ผลได้ให้จำกัดการจำรับผู้ที่ศึกษาสูตรนี้ยอ่อมรู้ยิ่งเห็นจริงถึนงนธรที่ควรรู้ควรเห็น เราก็รู้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอสติปัฏฐานคือศึกษาอเอากายเอาใจมาเป็นตำรับตำลาอยากรู้สึกตัวก็รู้ได้อเอากายเอาใจนี่มาเป็นวัสดุอุปกรณ์สร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาถ้าจิตวาส้างก็ไม่ถูกต้องเอามาใช้ให้มันเกิดความรู้ สติไม่ได้สร้างมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยใช่าจจะไปใช้ความหลงมากกว่าความรู้สึกตัวจึงมาใช้ลองดูพลิกมือขึ้นยกมือขึ้นเคลื่อนไหวไปมาให้รู้สึกตัวเป็นสูตร ทำไมเราจรึงจะรู้สึกตัวต่อกันนานๆรูปแบบของการเจริญสติเนี่ยวินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งอย่างชาอย่างไวก็ไม่เกินนั่นอย่างชาก็ไม่ชา ก, กว่านั้นมันก็ทำได้อย่างนี้ถ้ามีสภาพที่รู้มันก็มนมีหลง วิธีสร้างสภาพที่รู้เนี่ยต้องไม่ใช่ดุนดุนก้อนก้อนต้องให้ส่วนประกอบหลายอย่างด้วยเช่นศรัท ธ, ธาให้มีบ้างอย่าเหืแห้งศรัท ธ, ธาเชื่อแล้วก็ทำลงไปอาจจะไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวมันเห็น เห็นกันก็ทําของเรามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแต่นี้เราว่าศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาโลล้มแรงๆศรัทธาที่มีผลทันทียกมือสร้างจังหวะรู้สึกตัวเดินจงกรมรู้สึกตัวเวลามันหลงรู้สึกตัวอ๋อมันทําได้มันทําได้จริงๆเนี่ยแล้วก็มีศรัทธา แล้วก็มีความเพียสรสนับสนุนความเพียรคืออะไรก็ก็กให้เกิดความรู้ทุกกรณีไม่ปล่อยปะละล้วเลยความเพียรเป็นการทำให้สำเร็จเวลาได้ันหลงรู้เปลี่ยนที่ความหลงให้เป็นความรู้ เปลีคมทุกข์เป็นควมรู้เปลี่ยนคมโกรธความรักความชังเป็นควมรู้ให้มีความเพียรจะปล่อยเปาะแล้วเลยให้มันหลงไปฟีให้มันทุกไปปีใส่ใจตรงนี้สร้างด้วยวความเพียรแล้วมีความมั่นคงทสงนบอยอย่างงอนแน่นคอนเชน อย่าหวั่นไหวง่ายๆเวลามันหลงก็ไปกับความหลงเวลามันทุกข์ก็ไปกับความทุกข์เวลามันเบื่อก็ไปกับความเบื่อเวลามันขยันก็ไปกับความขยันความขยันพาให้เราทําความเพียรความเกียจข้านพาให้เราทําเพื่อให้เราหยุดความเพียรไม่ใช่อย่างนั้นต้องมั่นคงสักหน่อยเวลาเราทําอะไรเกิด ขึ้นมาเหมือนเราทำงานทำการมันก็มีการเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันอาศัยความเมื่อยความล้าพาหยุดการทำงานมันก็ไม่ถูกต้องเสมอไปอาศัยการล่อนการหนาวให้ความร้อนการหนวาวเป็นใหญ่พายหยุดทำการทำการก็ไม่ถูกต้องห้ยมีความมั่นคง อย่าหวั่นไหวง่ายๆเพราะเราจะฝึกฝนตนเด็กให้มีความอดข้นอดทนหลายๆอย่างมันจึงจะสําเร็จได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องสติก็อย่าวั่นไหวเช่นความสุขความทุกข์ความปวดความมุ้ยความเบื่อก็มีเหมือนกันความง่โมโหอนอนก็มีเหมือนกัน อย่าหวันไหวแต่เราสวดเชื้อมงคลคาถาพระจ้าอาชานะมานพระหงส์สัตวาอชานะมานได้หลายๆอย่างไม่ใช่แพ้เสมอไปสมัยที่พระองค์วัมเพนเป็น พอเป็นพุทธเจ้านะมีอะไรเกิดขึ้นขนาดนั้นไม่ใช่ความสะดวกเหมนการผ่านมานต่างๆหลายอ่าอ า, อาจจะไม่สะดวกเหมือนพวกเราเดี๋ยวนี้ลูกเรานี่กก็นั่งอยู่ที่สลอดหัวใจนั่งอยู่บนกระดานพื้นแล้วก็มีเพื่อนมีมิตร นี่ก็พระสงฆ์ก็แม่คีอันนั้นก็ร้อยรคนมีแต่คนดีๆมานั่งอยู่เนี่ยมีลูกมีหลานด้วยมีพ่อมีแม่มานั่งอยู่กับลูกกับเจ้าด้วยวพระพเจ้าสมัยเป็นสิรัธรรมเลยนั่งอยู่คนเดียวเพิ่งลูกน้อยมาด้วยอาอยุเก็ดเดือนเออเจ็ดเจ็ดวันเท่านั้นเอง เพียงภาก็ยังอ่อนแอออกลูกสมสวดลูกใหม่ๆหนีออกมาก็ย่อมคิดถึงใครเล่าจะไม่คิดถึงลูกด้อยลาหุน่นใครจะไม่คิดถึงเพียงภาแสนดีที่สุดเลยตอนที่จะออกบวดก็พูดกันจนว่าตกลงกันเพราะความรักก็ให้แสวงหาโมกกระทำ ไม่ใช่ความเบื่อหน่ายพิมพาพิมพาก็ลักสิ ท, ทธะสิ ท, ทธะก็รักพิมพาความรักของเราทั้งสองคนนี่ไม่ใช่เป็นความรักเป็นนามธรรถ้าเราจะรักจริงๆต้องรักคนทั้งโลกให้คนทั้งโลกมารู้เรื่องนี้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี้เราจะหาคําตอบเรื่องนี้ให้ได้นี่คือความรักของเราให้เป็นสาธาประโยชน์ ไม่ใช่ความรักของเราสองคนมันก็ข้านไม่ได้พิมพ์พาข้านไม่เอาเห็นดีเห็นด้วยเลยหอบความรักไปด้วยไม่ใช่เบื่อหน่ายไม่ใช่ทอดทิ้งเวลาใดที่ขี้เกียจคิดถึงพิมพ์พาไม่ได้เราต้องมาแสวงหาเวลาใดคิดถึงพิมพะ เ, เอาใจหนีความเพียรกับไปกับบินละพัดไม่ได้ เราตกลงมาแล้วเราจะไปทำความดีเรื่องนี้ให้ได้ความรักพาให้ทำความเพียรเกิดความขยันรักพ่อรักแม่ทำให้เราเป็นคนดีรักบุตรปัญญาสามีทำให้เราเป็นคนดีความดีพาให้เราทำไงไม่ใช่ความขยันอย่างเดียวอยากให้แม่มาเดินนั่งดูเราเดินจงกรม อย่ให้แม่นั่งดูเราสร้างจังหวะว่าลูกชายของแม่ลูกเสาของแม่เป็นอย่างนี้เขาจะชื่นใจนี่คือความรักความรักก็พาทำความเปลี่ยนความขยันก็พาทำความดีจะทาล้นเหลืออ๋อขณะที่ทำนั้นไอ้เลยเกิดขึ้นฝนตกรวบยุยงกัดสัตวืลอยขาน ล่อนลอนหนาวหนาในดงที่พุทธคยาเนี่ยลองตาไปดูเป็นดงเป็นป่าสมัยนั้นคงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเหมือนที่นี่ที่นี่ก็สมัยก่อนก <c oughs> ็มีช้างด้วยนะบางีกลนงคืนมันมาหยอกล้อเรามาพ่นงวงใส่เรามันหยอกกันบางทีก็อองเอ๊ะ อ่าใกล้ใกล้กะติกะตีก็ไม่มีนอย่างนี้นะ <c oughs> อ๋อไม่เรียนละมกากาดพื้นฝ้าไม่มีเอาต้นเลวต้นอา่าขาโคมไปปูเพราะมันเห็บเยอะนอนให้ฝ้าอันยอกันว่าเราก็เป่าโบด เอาไม่ไผ่มาทําใหพอผู้พูดมันไม่หนีมันหยกกันอยู่เนี่ยบางทีได้กินกันด้วยอางีก็ต้องเอากีวอนขาดๆมาฟันเป็นเกลียวจุ่มลงมัดกัดไว้เวลามันไม่หนีก็จุดต้างมานกัดใส่ผ้าเกี้ยวข้าก้มมือนึ่งมือโยนลงไปทําเห็นฝามันก็หนีไป กลัวไหมบางคนกลัวอุย้ยไปไหวไม่ไหวมีมันกับที่เจ้าก็ยิ่งมากกว่านี้ว่าใช่ความกลัวให้หนีจากความดีไม่ใช่ให้ความโกรธพรให้หนีจากความดีไม่ใช่เพื่อให้ความเบื่อหน่ายหนีจากความดีของชั่วสู้เวลาท่านเกิดอะไรขึ้นกับพระจีร tha คิดถึงพิมพาคิดถึงลาหู คิดถึงพระรา ช, ชทรัพย์สินสะดึงคานคิดถึงภาษาสามฤดูไม่ช่อ ย, ย <c oughs> เหมือนกับพวกเราคิดถึงสาอสนมกำนันในคิดถึงพระรา ช, ชวังอ่าถ้าจะเปรียบเทียบกับต้นสีมหาภูเนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้อะไรไม่สะดวกสังอย่างอ่าเพราะนันเนี่ย อะไรเกิดขึ้นขนาดสู้รู้สึกตัวไม่วันไหวเกิดอลไขึ้นสู้ชนะทุกอย่างมันหลงชนะมันรู้มันทุกชนะความทุกข์มันขี้เกียจกู้เห็นมันให้ไม่ให้มันเป็นใหญ่มีสติเป็นใหญ่ปลูกป่อยปลูกป่อยจะเห็นกายเคลื่อนไหวสมัยนั้นพระพระุทธองค์เราจะทําการกู้แขนออก กอนคู่ฉันเข้ากอนเหยี ย, ยดฉันออกในบ้าะในพระสุรกอนเดินไปการถอยหลังการคิดไปก็รู้จงกล่มก็มีทางทิศเหนือสีมหาภูยังมีอยู่ทุกวันนต้องรอยพระเจ้าลำบากกว่าพวกเราพวกเราไปอะไรเนะ่ยมากันมันกลุ่มเป็นหมู่เป็นอุ่นใจ ุ่นใจุ่นใจไม่ใช่เราคนเดียวไปกลัวอะไรเราก็ทำได้เดี่ยมันหลงไว้ลูกขึ้นมาสมน้ำหน้าความหลงเห็นของจริงมันหลงจริงๆริงแล้วก็มันก็ลู่เวลามันลู้ของหลงก็หมดไปเห็นกายเคลื่อนไหวไปมาเห็นสูตรเห็นไปเห็นม า, ากายที่มันเป็นตัวเป็นตน มีความพอใจมีความอะไรเกิดกับกายเอากายมาเป็นตัวเป็นตนเอากายมาเป็นสุขเป็นทุกข์เอากายมาเป็นที่ตั้งจนเป็นตัวเป็นตนเกิดวายมองไม่เห็นเราองคกายสภาวะกายไม้ใช่จัตตุผลตัวตนเราเขาโอ้เห็นอะไรที่สแสดงกับกายขึ้นมาตอบความเดียวกายสภาวะกายไม่ใช่จัตบุคลตัวตนโลาเขา เวทนาที่บรรจุบรรทุก ก, กับกายกับใจก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลแต่ก่อนนี้เราอยู่กับเขาเขาทําให้สุข ก, ก็สุขเขาทําให้ทุกข์ก็ทุกข์อันกายนี้เล็บใช่กายเป็นธาตุของกายเสียผู้เสือของก็แม่พอมาเห็นแล้วโอ๊ยไม่ใช่ตัวตนเป็นกายสักว่ากายเวทนาสักว่าเวทนาบางทีกายมันก็ใช่ไม่ถูกก็ ติดพันหลายอย่างเวทนาใช่ไม่ถูกกูหลงไปหลายอย่างบางคนหลงในเวทนานะี่ยพ้นเอาขี้เอาขมขืนเอาซื้อเอามาหลงในเวทนาเหม็นเหม็นกูะเอาเช่นพวกติดกาติดกินเหม็นเหม็นยังเอาเลยซื้อเอาถ้ามันหลงเรามันเอาทุกอย่าง กินบุรีกินอะไรต่างๆแสนที่จะเบื่อแสนที่จะเหม็นก็ยังเอาเพรามมนหลงเอาหมดหลองตาเห็นคนหลงในในในก่าวขึ้นรถตับอกาศจากเคียงลายมาคอนเสิร์หลงตาก็นั่งอยู่บาติดสุดท้าย อ่าคนที่มันเขาก็นั่งอยู่ข้างนอกมันขอเปลี่ยนมามันขอเปลี่ยนเราให้เราออกไปนั่งแท น, นมันก็บอกเราให้ออกไปเราก็ออกไปนั่งแทนมันมันก็มานั่งแทนเราในที่สุดๆตัวถังรถก็นั่งเรามันก็ ก, บ ร, กบรงก้มลงก็ตมก็เห <laughs> ม็นไปทั้งรถเลยคนั้งรถโวยวายกันเ <laughs> ินเหมอนยินเหมือนอะไรอะไรใครต้องเข้า อ่ากันไอก็มองคนนี่คนงอปอยู่โอ้ยคนนี่คนนี่คนรถก็มาดึงมันออกมามันก็ยั่งดมอยู่เนะต้องดึงมันลงรถจงกอดรถทำกระดมข้างล่างอ่าขณะนั้นมันหลงกันแล้วะความชั่วบางทีมันไม่อาศัยเลยอาศัยความชั่วทำความชั่วอาศัยความหลงทำความหลงเรื่อยไป เอาใส่ความทุกข์สร้างความทุกข์เรื่อยไปเอาใส่ความโกรธสร้างความโกรธเรื่อยไป<ม>บัด น, นี้เราบางกับเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันหลงรู้มันทุกรู้เวทนารู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเรามาทำตรงนี้กันใครช่วยเราได้แล้่อนี้ไม่มีใครช่วยเราเลยนี่คือของจริงมาศึกษาดมูมันก็เห็นใบบอกว่า้หลอกได้ยังไงนะ <c oughs> ถ้าเห็นแล้ว ถ้าเป็นเรนก็หลอกได้เราจึงมาดูมันดูว่าดูมันดูด้วยองค์อาจความรู้สึกตัวมันเป็นความยิ้มยิ้มนะเบาเบนะมันสุขก็เห็นมันลักษณะเดียวเหมือนกับอย่างนี้ดูสิอพียงมันสุขอยู่นี่มันทุกข์ดูมันมันโกรธดูมันมันมีความรักความจัิงดูมัน ดวงดวงไม่ใช่ไปอยู่มันทุกข์อยู่กับความทุกข์มันสุขอยู่กับความสุขมันหลงอยู่กับความหลงไม่ใช่รู้นะมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหรลูกมันรู้อย่างนี้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วความรู้สึกตัวรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้บ่บ่อะไรที่เกิดขึ้นรู้ตัวเดียว เรื่อพอสูตรเห็นกายจากักระกายไม่ใช่สัตว์ปุคคลเห็นเวทนาที่เป็นควาอาการต่างๆเกิดขึ้นแต่ะไม่ใช่สัตว์ปุกลไม่ใช่ตนเห็นจิตบางทีก็จิตแล้วก็หิวลงไปนั่งอยู่มันหิวไปถึงบุรีลำมีไห ม, มหิวไปถึงกรุงเทพมีไหมหิวไปถึงที่ไหนไมีไหม นั่งอยู่นเที่ยวไปที น, ทนอนอยู่ยกังที่วไปเลยจิตได้ตั้งใจไหมมันไปมันได้ตั้งใจมัม น, มจมนเคยท่องเที่ยวไม่มีขอบเขตเอาทุกอย่างจิตเนี่ยความรักเอาไหมความชังเอาไหมความโกรธเอาไหมความโุกเอาไหมความทุกข์เอาไมควมไม่ถูกกังวลเอาไหมพอใจไม่พอใจมันไปเลย ล, ละจิตเนี่ย นันออกมันเข้าได้อิสระแล้วจึงมาเห็นภาพกข้ามาจิตซึกว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโอ้เราเคยหลงท่องเที่ยวไปในความคิดเป็นเนกชาติหลายพบหลายชาติเหลือเกินนานเหลือเกินไม่รู้เรื่องจิตของตัวเองไม่ใช่เห็นจิตเห็นหัวใจเห็นจิตคือมันเป็นความคิดที่มันเป็นอารมณ์อ่ะไม่ใช่หัวใจ อ้จิตไปเพนน่ที่มันหมกมุ่นคุณคิดท่องเที่ยวไปเอาทุกอย่างสุกสนสุกซนจิตเนี่ยถ้าไม่สอนมันไม่เชื่องพึ่งมันไม่ได้มีใครพึ่งจิตได้ไม่มั่นใจจิตใจตัวเองไม่รู้จ่ใจเป็นยังไงแต่ก่อนนี้เป็นยังไงกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิด <laughs> จะได้อ่ บางคนอกสิ้นปวงพลังงานเกิดปัญหาพ่วงไปกับความคิดก็ม่อารมณ์ข้างพ่วงอยู่ในตัวไม่พอม า, ากระทบกาเทืนกันและกันสิ่งต่างๆหลายๆอย่างมีปัญหาจึงมาเห็นคิดสว่าจิตให้ใช่จัดบุคคลตัวตนโลกองอาการเกิดขึ้นอีกทำคือ หลายๆอย่างถ้าเป็นความดีก็เป็นกุศลธรรมถ้าเป็นความชั่วก็เป็นอกุศลธรรมความชั่วเป็นอกุศลธรรมความดีเป็นกุศลธรรมอย่าไปติดทั้งสองอย่างบา้งที่มันก็รู้มันสงบพอใจในความสงบไม่ไม่ใช่ให้เห็นมันสง บ, สงบก็เห็นมันบางที่มันไม่สงบมันฟุ้งซ่า น, นงา่วงเมาหนอน เวอร์อได้อะไรเกิดขึ้นก็ อ, อย่าไปลงมันมันมันย้อมจิตเหมือนกันทํานี่ยถ้าให้เป็นใหญ่เหมือนกันมันสักไปมันเป็นบางเหียนดึงเราไปความขยันก็ทําให้เราทําความเพียรความเขยดข้านก็ทําให้เราหยุดความเพียรโทษแท้ไม่เอาไม่เอาไม่ไหวไม่ไหวไงต้องวันไป เห็นมันจนเห็นเป็นรูปทํานามทำถอนออกมาเห็นรูปนามเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงแล้วก็มีเท่านี้พระโสดาบันเนี่ยเห็นอะไรไม่ใช่เห็นนอกจากตัวเราเพราะโสดาบันเห็นอะไรละอะไรได้สักกายทิฏฐิไม่มีตนในกาย ส ก, กายาทิฐิถอนลงมาไม่มีเอาทิฏฐิในกายมาเป็นตัวเป็นตนเป็นพู้เป็นชาติส ก, กายาทิฐิไม่เคยเอากายมาเป็นสุขกันทุกเอากายมาเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความดีส ก, กายาทิฏฐิถอนลงมาจากกายมันก็เริ่มถอนตั้งแต่ทีเดียวกายารูปสัจดาเห็นกายจะว่ากายไม่ใช่จัดตุคุณโตตนเราเขาหลายอย่างเรื่องกายนี่ มากมายจนไปสูรเป็นพระอภิธรรมเป็นพระวินัยเป็นพระ อ, อะไรเรื่องของกายมากมายถลงมาลื่อออกมากายจะว่ากายสกายาทิติไม่มีตนในกายไม่โอกายมาเป็นสุขเป็นทุกข์โอกายมาเป็นปัญญาเป็นปัญญาหรอ ก, กายเนี่ยไม่ใช่งูตรงกาย ถ้าโง่ตรงกายก็โง่ไปอีกหลายหลายอย่างถ้าหลงที่กายก็หลงไปอีกหลายอย่างถ้าสุขที่กายก็หลงไปความสุขอีกหลายอย่างถ้าทุกข์ที่กายก็หลงไปความทุกข์หลายอย่างถ้าไม่หลงตรงนี้บุกเบิกไปได้เลยเป็นทางไปสกายิติถนตัวตนที่ออกจากกายได้เม่อกลายมาเป็นตัวเป็นตนโดยก่อนนี่เป็นตัวเป็นตน ร้อนก็คือกูหนาวคือกูหิวคือกูสุขคือกูทุกข์คือกูเอากายมาเป็นกูผมร้อนก็เป็นกูร้อนพอไม่เห็นแล้วเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันหิวเห็นมันปวดไม่ใช่เป็นกูอยู่กับกายมันก็ออกมาจากนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมศีและพัตะปาลมั ไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายเอาไปแข่งไปขันไปปั๊ไปเบี่ยงกันกูชอบกูไม่ชอบในกายมันก็มีกายในกายไม่ใช่กายที่เป็นรุ่นนี่ยไม่กายในกายเอากายความร้อนคือกูะไม่กายในกายมันหิวคือกูมีกายในกายเอาหิวเป็นกูเป็นกายเหมือนกันเอาความสุขความทุกข์ที่มันในกายเป็นกายอีกซ้อนกันไป หลายภพหลายชาติที่เกิดกับกายเกิดดับเกิดดับถอนลงมาได้พระโสดาบันพระโสดา ป, ดาปฏิพัตาทำเรื่องนี้ขึ้นมาสกายะทิฐิวิจิจีฉาควมลองเล ส, สงสัยแต่ก่อนเนะี่ยไม่ได้คำตอบสักทีอะไรที่เป็นเกิดขึ้นกับกายเนะี่ยมีปัญหา ไม่ชัดเจนวิ่งตามมันไปให้มันหลอกให้มันหลงไปไม่มั่นใจก็ลองมาเห็นวิจิติเฉาตัวไหนมันก็หมดไปมั่นใจว่าอยู่ตรงนี้ไม่มีความลังเลยสงสัยในการกระทามันเกิดอยางนี้มันดับตรงนี้ทุกอย่างเกิดแตกเหตุทุกอย่างดับที่เหตุมันหลงก็รู้ วันสุขวันทุกข์ก็รู้ศีลปตะประมาดไม่ยึดปั้นหรือมั่นในการกระทำเอาเอาเรื่องคนเราเรื่องไปแข่งขัดกันเช่นจิตก็จิตไปแข่งขันกันนานาจิตตังอยากจะบอกว่าคำว่าพูดคาว่านานาจิตตังขอขอลบซะภาษาเนี่ย จะให้มีมันไม่ใช่นานาจิตต่างมันเป็นจิตอันเดียวชีวิตของคนเนี่ยไม่ใช่คนละแบบเมื่อใดเรามีตนาจิตต่างเราไปอวดไปแข่งกันกันไปกระทบกระเทือนกันไม่ใช่มันอันเดียวกันน่าเห็นใจกันถ้าเขาโกรธไม่ใช่จิตของเขาเป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วครัง้งชั่วคราวอันจิตของเขาไม่ได้โกรธหรอก อันเดิมๆจริงๆไม่ได้โกรธไม่ได้ทุกข์ไ็ได้หลงไปจิตเดิมของเราอันตัวหลงมันจอนมาอคันตุกข์มันจอนมาเหมือนสลาหัใจนี่จิตเปียกก็เหมือนสลาหัใจนี่ใครมาอยู่ก็ได้มันทีบ่าบกดำๆมานอนอย่าง้เลสลาก็ไม่ผ่านเลย มันก็นอนได้สาลากให้ความเย็นฝนตกก็ไม่เปียกเหมือนกันถ้าหมามานอนนะถ้าเรามาอยู่ก็อยู่พระก็อยู่แต่ใครอยู่ล่ะไม่จะดีกว่านถ้าพระสองฆ์เจ้าหมออยู่ก็สลาแม่คีอยู่ก็สะอาดถ้าหมามาอยู่มีเตยเหม็นสะาดเหม็นข่าวนอยจิตของเราเนี่ยก็อาคันตุกะมันมาอาศัยจิตเราไปถือว่าเราไม่ใช่ มันเป็นอาคัรตุกข์หันจรมาถ้าเราต้อนรับมันก็มาเรื่อยถ้าเราลู่เป็นเจ้าของมันก็ไม่หนีมันก็ไม่มามันก็สะอาดบริสุทธิจ์จเนีเราก็ตรงลู่ไปอย่างไหนเพราะโสดาปฏิมาค์เนคือเห็นเรื่องนี้ไม่ใช่เห็นที่ใดเห็นเรื่องกายเรื่องใจของเราเห็นแบบละเอียดเห็นรูปเห็นนามรูปธรรมนามธรรม บางที่หลงตาได้พูดได้ฟังมันลื้อไปอย่างนี้มันลือเป็นขั้นเป็นทนอะไรเสร็จมันก็เสร็จเป็นชิ้นเป็นล้านเลยผมหลงก่อนเดียวนั่นแหละผมทุกข์ก่อนเดียวผมโกรธก่อนเดียวผ่านแล้วเอาไว้หลังแล้วมาที่ได้เอาไว้หลังไม่ให้ออกหน้าออกตามีมาแต่ว่าเอาไว้ข้างหลังผ่านได้สบายมากบรีเวเป็นทางหมายถึง ทางด่วนพิเศษเอกามาโคเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยพีเบผ่านได้ตลอดเหมือนทางด่วนเหมือนทางด่วนในกรุงเทพขึ้นจากนครปฐมก่อนด์บ่ า, ายหลลอยฟ้าจากสมุทรปรากาถึ ง, งรังสิทธิเดียวทางทางด่วน แต่ว่าไม่ด่วนเท่าไหร่มีรถแอร์ัดกันแต่ฟรีเวสันลัดเนี่ยต่วนกว่านี้ไม่ใช่เหมือนบ้านเราฟรีเวสรนลัดเนี่ยมีเฉพาะรถนั่งบรรทุกรถโดยสานรถอะไรไม่ไม่ให้ไปมีแต่รถตักคนไปทำงานแป๊บเดียวจากบ้านเขาไปเำงานห้าน5ทีสิบนานทียี่สิบน า, น ท, บนานทีกำหนดได้ไม่เหมือนกรุงเทพเรา วันเดินลงตาไปเทศกรุงเทเพกับหลวงพ่อกรมกับคนเท่าก่อนกับคนหูขับรถไปจะไปแสดงทำที่ไหหลังฮะจะไปแสดงทำที่ไหนนาออไปไม่ได้เลยรถติดไปไม่ถึงกาหนดไม่ได้คนที่เูอก็ก้อนนัดเวลาบ่ายโมง บ่ายโมงยังไม่ถึงไหนเลยบ่ายสามก็ไม่ถึงโทรไปบอกเลย <c oughs> โทรไปบอกเจ้าของเขโอ๊ยไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้ไม่มีทางไปได้ขอกลับคีบผมหน่อยอกว่าถึงคีบผมเ <c oughs> ออนี่ไม่ใช่ทางด่วนบ้านเขาของเขาฟรีเวนะทินาทีได้ยี่สิบนาทีได้กํนนาหนดได้ในชีวิตของเราควรที่มีฟรีเวย์ หมายเลขหนึ่งเลยผ่านตลอดมันหลงก็รู้ไปแล้วมันทุกข์ก็รู้ไปแล้วมันโกรธก็รู้ไปแล้วอะไรที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่ปกติรู้ไปเลยผ่านแล้วผ่านแล้วเรียกว่าหลุดพ้นวิมุติคือหลุดไปไม่ใช่ไปยึดมั่นถือมันแล้วหลุดไปให้มันหลุดไปนะหลุดจากความหลงหลุดจากความทุกข์ให้เป็นความหลงข้าวสุดท้าย ให้เป็นความทุกข์ครั้งสุดท้ายให้เป็นความโกรธครั้งสุดท้ายตั้งแต่หนุ่มนอนดอยๆเลยตื่นแต่ดึกศึกษาแต่หนุ่มๆเดี๋ยวรอให้เท้าไห้แฉะโบราณดานว่าพายเถิดพ่ออย่าั่งรอพายรหัสจะวายตะวันจะสายสายบัวจะเน่าอย่หลวงตาเวลาเนี้ยอยากจะหยุดพูดแล้วเสียงก็ไม่ดีไม่ได้ก็แฉง แล้วก็หูก็งวงไม่อยากไปให้ใครเห็นอยากหนีไปตายในภูในเขาที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ไม่ไม่ค่อยเหมาะนะไม่ค่อยเหมาะแล้วเอาใสยพวกเรามาช่วยกันเถอะมาเป็นคนดีช่วยประเทศชาติบ้านเมืองก็ให้เป็นคนคนเดียวกันหรือ ว, ว่าจิตอันเดียวกัน อ, อันเดียวกัน เมื่อจิตเป็นนันเดียวกันนะแล้วว่าลาบเหมือนหน้ากองใสศาสนาภาษีอะเรียมเเม่ใจก็มาตัดจรู้ต่อจากโคโคตโมเนกุสันโธอะไรไรดูสิกุสันโธโกนาขังโนกัดสโปโคตโมอะเรียมเมตใจอยู่ห้าพงเนี่ย เป็นศาสดาเป็นศาสนาเดี๋ยวนี้อยู่ในกุกุสันโธโกดางคามโนกาจโปโคตโมพระพุทธเจ้าโคดมสําหรับโคดมโกตงเอื้อเมตโยต่อจากนี้ไปหมายถึงเอาพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจนเป็นอันเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นจีเกออย่างนี้ยเสมออันเดียวกันเขาดินทาปกติ เขาสเสริปกติถ้าเป็นเขาเน้นทาเสียใจยแต่คนสรรเสริญดีใจไม่ใช่อันเดียวกันขีวิีทองเราต้องอันเดียวกันแบบนี้เรียกว่าลาบเนี่ยพระศีรษะแตาธรรมาตัดจะลูคือในยุคนี้ในยุคพวกเรามาปฏิบัติธรรมกันนี้ยมันทบได้จริง เรียกว่าศาสตาพระจีอาเมตายเราต้องมีอยู่ในนี้ไม่ใช่รอไปตรงไหนให้มันเดี๋ยวนี้ก็ได้อ้ามันหลงไม่หลงมันทุกข์ไม่ทุกข์เอาเลยคิดใจเราเปลี่ยนตัวเองให้อย่ารอให้เท่าให้แก่หลงตาหมดจภาพแล้วเกือบครึ่งศตวรรษมาแล้วพูดทำงานไม่ค่อยได้ผลเลยใครจะใครจะช่วยเราบ้างก็ <laughs> ช่วยเป็นคนดีกันน ะ, ะนับดึงอยากเราเนี่ยลูกพ่อนี้แม่นี้เราล ะ, อะเอาเลยทีเดียวเลยให้ได้คุนอกคุณใจไปทำความดีไม่ใช่อยู่ที่นี่จะอยู่ที่โรงพยาบานไ็อยู่ที่โรงเรียน <c oughs> ไปเป็นครูอาจารย์ <c oughs> เป็นพ่อ <c oughs> เป็นแม่ให้เป็นคนดีรักกันก็ต้องเป็นคนดี รักลูกรักโต้า้องเป็นคนดีรักพ่อรักแม่ต้องเป็นคนดีนะก็สมควรเจอเวลาวันนี้กราบพระพ่อกัน